บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้ลกล่าวถึงเรื่องของรูปซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในส่วนของมัสติปทานาสุดนั้นให้ผู้ปฏิบัติศึกษาถึงเรื่องของรูปในสามช่วงด้วยกัน คือเหตุเกิดของรูปความดับของรูปให้รู้ตัวรูปเหตุเกิดของรูปและความดับของรูปกรรมารูปนั้นโดยความหมายแล้วหมายถึงสิ่งต่างๆที่มีความเสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเพราะในแง่ของความเป็นจริงที่ ทรงแสดงไว้โดยสรุปเป็นรูปกับนามก็ดีเป็นกายกับจิตก็ดีแต่เราถึงเป็นสสารและเป็นพลังงานก็ดีนั่นก็มีจุดเน้นอยู่สองจุดโดยสายประทาทสัมผัสของเราแต่เราคนเป็นเครื่องกาหนดดังนั้นส่วนที่เป็นรูปจึงได้แก่อายตนะภายนอกทั้ง6ประการทั้งหประการ คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยดินได้ถูกต้องด้วยกายซึ่งหมายความว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราสัมผัสสัมผัสได้ทางประสาทสัมผัสทงางานนั้นได้ชื่อว่าเป็นรูปแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็เป็นอายตนะภายนอกของบุคคลอื่นคนอื่นก็เป็นอายตนะภายนอกของเรา อนแต่ละคนที่เป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศจึงได้ชื่อว่าเป็นรูปโดยไม่ได้เจาะจงว่าต้องเห็นด้วยตาเพียงแค่เดียวอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นน้ำซึ่งเรารู้ด้วยใจโดยสายประสาทที่หกก็คือตาใจเป็นตัวรู้รู้รรสิ่งเหล่านั้น นั้นสรรพสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมคนอยู่ได้มีอํานาจอิท ธ, ธิพลในการสร้างความรู้สึกกินดียินได้ความดีใจความเสียใจความสุขความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลและมองโดยสรุปมันก็คือเรื่องของรูปนามเรื่องของกายกัะจิตหรือว่าเรื่องของขันทั้งหาประการนั่นเอง บางครั้งได้ส่งนิยามความหมายออกไปสาหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะคิดพิจิพิจนารณาเรื่องนั้นเพราะเรื่องการศึกษาในแนวกรรมาฐานนั้นเป็นเรื่องศึกษาจากข้างในเป็นประการสำคัญไม่ได้ศึกษาจากข้างนอกการศึกษาจากข้างนอกนั้นเป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้แล้วก็เพิ่มกิเลส แตการศึกษาจากข้างในนั้นเป็นการเพิ่มความรู้แล้วก็ลดกิเลสนั่นคือจุดที่มีความแตกต่างกันแล้วเมื่อศึกษาไปถึงเหตุเกิดของรูปท่านก็แบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงที่ก่อให้เกิดเป็นรูปขันขึ้นมากลายเป็นคนเป็นสัตว์หรือแม้แต่เป็นสิ่งของก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยนั้นอย่าไปติดใจในชื่อเสียงขององค์ธรรมที่ทรงแสดงเพราะจะทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังและขั้นตอนในการแสดงเมื่อเราโดยวิจิตวิสดายคือแนวที่ลึกซึ้ง้าแสดงว่าเหตุได้เกิดแข่งรูปคือเกิดสปรพชีวิตทั้งหลายขึ้นมานั้น มีมาจากปัจจัยสำคัญอยู่สามประกาศด้วยกันปันจจัยแรกนั้นเป็นปันจจัยที่อยู่เบื้องหลังของชีวิตที่เราเคยผ่านเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาที่ท่านใช้คำว่าอดีตที่เหตุคือมันเป็นเหตุในอดีตคล้ายๆกับมเมล็ดพืชซึ่งมียางเหนียวเป็นเหตุอยู่ก่อน จะงอกหรือไม่งอกม า, มาดูกันตรงนี้ก่อนถ้ายางเหนียวก็ยังมีอยู่เขาได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเาก็งอกก็ได้แต่ถ้ายางเหนียวเขาหมดไปแล้วแห้งกรอบไปหมดแล้วแม้จะได้อุณหภูมิอย่างไงที่จริงมันก็เหมือนกับไม่ได้เพราะไม่มีพูดสเยแต่นั้นจึงไม่อาจที่จะปลูกให้งอกได้ ตามปกติจะเรียงเป็นรูปของกิเลสกรรมแล้วก็ผลของกรรมหรือว่าในที่บางแห่งก็ทรงเรียงในรูปของกรังเขตตั้งกรรมเป็นเนื้อหนาวิญญาณหนังบีชังวิญญาณเป็นหน่อหรือเป็นพืชแต้วตัะหนักิน ห, นหังตัะหนเป็นเหมือนขยานเดียว แต่ในที่นี้ได้แสดงถึงอวิชาตัญหาอุปาทานกรรมและอาหารคกือรวมแล้วเมื่อเราแยกออกไปจากสามกลุ่มเราจะได้เป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของกินเ็งกลุ่มที่สองก็คือกรรมกลุ่มที่สมก็คืออาหารหมายความมาตั้งแต่ปฏิสนธิมาเป็นรูปร่างกายขึ้นมา จะเจรินเติบโตได้ต้องมีอาหารจะบำรุงรักษาไว้ได้ก็ต้องมีอาหารถ้าขาดอาหารมันก็อยู่ไม่ได้อวิชานั้นโดยความหมายแปลว่าความไม่รู้แต่โดยเนื้อหาแล้วหมายถึงเป็นความรู้ที่ไม่จริงเพราะเราจะปฏิเสธการศึกษาเรียนรู้ของบุคคลทั้งหลายในโลกนั้นเป็นไปไม่ได้มันก็มีการเรียนรู้ แต่รู้ในความหมายของท่านนั้นต้องอยู่ตรงกันข้ามกับอวิชชาหมายความว่าต้องเป็นความรู้ซึ่งขจัดอวิชชาได้อวิชชาเป็นรากง่าของกิเลสซึ่งเป็นเหตุที่แตกกิ่งออกมาเป็นโรกปวดตรงดังความรู้อะไรก็ตามที่เมื่อบุคคลรู้แล้วสามารถลด ความโลภความโรกรธความหลงลงไปได้จนถึงกระตับความโลภความโกรธความหลงในที่สุดอย่างนี้จึงเด้ชื่อว่าเป็นความรู้แต่ความรู้ในส่วนของคดีโลกนั้นเึงสังเกตว่ากิเลส ท, ที่ใหม่ชัดๆเห็นกันจะแจ้งนั้นก็คือตัณหา ก, กับมานะแล้วก็พร้อมที่จะเกิดโทสะคือถ้าหากว่าเขาไม่ยอมรับตัณหาไม่ยอมรับมานะของเรา ความรู้สึกว่าเราจบปริญญานั้นปริญญานี้ได้เกิดขึ้นทีหลังเมื่อเราจบปริญญาแล้วความรู้สึกว่าเราเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาได้เกิดขึ้นเมื่อเราได้เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วถ้าใครปฏิเสธไม่ยอมรับสถานะของเราเราจะเกิดโทสะถึงเม่เรียนจบไปแล้วก็พอก็ตีค่าให้เท่าไหร่ก็ตีค่าเท่านั้นหรือถ้าให้เขาดี ก็ขอให้เราตีเรียกร้องเอาเองเราจะเรียกร้องมากกว่านั้นนั่นก็คืออาการของโลภะถามทำไมา ย, ยังไม่เห็นได้เกิดโลภะเพราะตัวปริญญานั้นกำหนดได้เกิดโลภะจะมีการประเมินตัวจะมีการตีราค า, าค่าความรู้ค่าฝีมือของตัวเกินไปถ้าได้เราก็เกิดโลภะต่อไปก็อยากได้ไปทีเด้ถ้าไม่ได้เราจะเกิดโทสะ การศึกษาในแนวนี้ท่านจึงไม่เรียกว่าวิชาซึ่งทรงกันข้ามกับอวิชาแต่ท่านจะเรียกว่าศิลปะแปลว่าความฉลาดในการชายศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพในการเลี้ยงดูตัวเองแต่พอเรียกว่าวิชาท่านเรียกว่าติรจ า, านะวิชาจริงๆไม่ใช่คาหยาบอะไรคําว่าติรจาน หมายถึงการเจริญไปทางขวางคือเรียนแล้วก็ราบอยู่กับโลกติดอยู่กับโลกคอยว่าปราถนาราบยศสรรเสริญความสุขในโลกนี้ต้องการความยิ่งใหญ่ในด้านต่างๆก็ต้องการในโลกนี้นานเวลาเรียกวิชาท่านเรียกว่าตีราชานวิชาเพรา ะ, ะค้าว่าอาวิชาจริงโดยความหมายจริ ง, งๆก็แปลว่ารู้ไม่จริง เพราะอะไรเพราะรู้แล้วไม่สามารถที่จะลดกิเลสลงไปได้มีแต่การเพิ่มกิเลสเก็นไปคนนี้พึงสังเกตความรู้ซึ่งมีอยู่ภายในใ จ, จิตใจของบุคคลจะเรารู้ว่าความโกรธนี่ไม่ได้แต่ว่าใครทำให้ไม่พอใจหน่อยเดียวก็โกรธอ่ะ แล้วพอได้แสดงอะไรไปตามอำนาจของความโกรธก็เกิดสำนึกเสียใจก็นึกตำหนิติเตียนตัวเองว่าไม่น่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าจะรู้อำนาจแกอารมณ์อย่างนั้นพอต่อมาวันหลังใครทำให้เกิดโกรธก็โกรธอีกละ่ะก็แสดงว่าเห็นโทษของความโกรธแต่ไม่อาจที่จะละความโกรธได้ถามว่ายัางมีวิชาไหมก็ยังเป็นอวิชาเพราะไม่สามารถลดละความโกรธได้ ด้วยความโลบความดิสยาอาฆาตต่างๆตลอดตั้งการตกเป็นทาตรุมบ่อใบชะ ม, มกทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็สามารถอธิบายชี้แจงโทษให้แก่บุคคลอื่นเข้าใจได้แต่ว่าจริงแล้วไม่อาจที่จะลดละด้วยตัวเองได้จึงอยู่ในกลุ่มของอภิชา แลนาวิชาจึงเป็นรากเง้ามใหญ่ของสัพพิเกเทั้งหลายซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยพิสดารในตอน ต, อนตอน้นๆประการต่อไปก็คือตัณหาตัณหาที่จริงเป็นอาการของอวิชชาเท่านั้นเองคือตราบใดที่บุคคลยังมีอวิชชาคือความรู้ที่ไม่จริงอยู่ความโลภความโกรธความลหลงมันก็เกิดขึ้น ถ้าเราถามใจลึกๆว่าทำไมจึงโลภมากนักเกินก็บอกเพราะหลงมันมากทำไมจึงโกรธมากก็เพราะหลงมันมากทำไมจึงหลงมากก็เพราะหลงมันมากล้านอาการที่อวิชชาเกิดขึ้นทำปฏิกริยาต่อจิตและแสดงอาการในลักษณะต่างๆนั้นท่านจึงบัญญัติชื่อเรียกเป็นกิเลส โดยอาศัยสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุเป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะชื่อที่นำมาเรียกกิเลสจะมีลักษณะเป็นวัตถุเพราะว่าตัวกิเลสจริงๆเขาเป็นนามธรรมเรียกแล้วมันก็เข้าใจยากตานานั้นเป็นชื่อของพันไม้ชนิดหนึ่ง ที่ทรงเรียกว่าเถายันสายมันมีลักษณะเหมือนกับเถ่ายั่นสายเป็นพันธุ์ไม้ชนิดเป็นเถาคือมันจะเลื้อยไปในที่ต่างๆพอเลื้อยไปไปประทากับอะไรก็จะมีส่วนหนึ่งออกมาไปปลูกมัดจริงเหล่านั้นไปแล้วก็เลือ้อยต่อไปลักษณะที่เราจะอาจจะไปดูที่ ร้านของบวกไป ร, ร้านของพวกฟักแฟงอะไรคือจะมีการเลื้อยไปอย่างนั้นที่ตรงนี้ที่ทจริงเป็นรูปของวัตถุแต่เมื่อมาดูที่อาการทางจิตก็จะเห็นว่าอาการทางจิตที่ประกอบด้วยธนาบมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมันจะเลื้อยมันจะแล่นไปในอารมณ์บางครั้งจึงสงใชยกับบาวิสัตติกาคือแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลาย เล่นไปในลักษณะฟุง้งลักษณะฟุ้งสั้นคือไม่มีทิศทางอะไรชัดเจนซึ่งเราสามารถจะมองภาพจิตที่ประกอบโดยตันาถาคือความโมบโลบอยากได้เช่นเวลามีการโยนกนะระปึกอะไรที่ก็โยนกันในงานเวลาโยน์นั้นต่างคนต่างก็อยากได้ ถ้าเขาโยนรอบทิศแล้วนี่จะละลาละหลังอาการของความโลภความหลงจะปรากฏได้ชัดตัวโน้นก็อยากได้ตัวนี้ก็อยากได้รไดพราะจริงแล้วบางทีก็ชนกันเองหร่างข้างแตกไปไม่คุ้มค่าจาที่ได้บาก็ไม่คุ้มค่าจะเป็นอาการของความโลภความหลงซึ่งไม่มีเหตุผลในการควบคุมตัวเอง ไม่อนึกถึงความเหมาะความควไม่นึกถึงลักษณะเชียบเคียงเพราสิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียไปนั้นอะไรจะมากกว่ากันคือไม่มีความคิดในลักษณะนั้นอาการเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นตัณหาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นปรุงจิตแล้วกระทำจิตให้แล่นไปให้สายไปในอารมณ์ที่เราไปกำหนดว่าน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจ มันก็ไม่อื่นไปจากอารมณ์หกเพราะโลกมันก็มีอารมณ์แค่หกกนแต่นั้นบางครั้งส่งแสดงในที่เกิดปัญหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่ใดแล้วก็ส่งเริ่มต้นที่อายตนาภายในอายตนาภายนอกคือเป็นที่เกิดของตัญหาเป็นที่ตั้งอยู่ของตัญหาแต่ในขณะเดียวกันก็มี เป็นที่ละตาหาเป็นที่ดับของตนตาาได้เหมือนกันตาหาที่แล่นไปในลนนักษณะนี้ถ้าขาดการควบคุมซึ่งหมายความาวิชาเข้ามามองภาพเมื่อการแล่นไปในที่มืดแล่นไปด้วยความโลภหรือความโกรธก็ต า, ามแต่เป็นการแล่นไปในที่มืด แข้งขาก็ตลอกปอกเปิือกไปหัวร่างข้างแตกไปไปชนนั้นชนนี้ตกลุมดกบ่อไม่ได้คิดอะไรแล้วมองให้เห็นภาพของการแล่นไปของคนเพราบริเวณนั้นมันมืดแต่คนเกิดกลัวก็ได้เกิดโลภ ก, ก็ได้เกิดโกรธก็ได้ก็จะมีการแล่นไปแล่นไปด้วยอำนาจความโกรธมุ่งประทุษร้ายคนอื่นซึ่งแล่นไปกันหนาะ แล่นไปด้วยอํานาจความโลภซึ่งต้องการอยากได้สิ่งของซึ่งอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันมืดแล่นไปด้วยอํานาจของความหวาดกลัวความสะดุ้งกลัวต้องการจะหนีภัยซึ่งมาจากข้างหลังเราจะเห็นเป็นภาพการเคลื่อนไหวของคนซึ่งไม่มีทิศทางแล้วไม่คํานึงถึงสวัสดิภาพของตัวเอง ว่าจะมีภัยเมียนตรายจากการแดนไปในรัศดนั้นบ้างไหมคือไม่ได้คิดคิดแต่สิ่งที่ตัวเองจะได้บางทีท่านจึงเรียกว่าชักป่าแปลผู้กระซิบใจมันจะเป็นการสร้างแรงผลักดันให้มีการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เราจะต้องเจอในขณะวิ่งไปด้วยทรามกลางความมืด อาการเล่นไปความตันหาก็จําแนกเอาไว้เป็นสามประเภทเล่นไปเพื่อได้เพื่อครอบครองจนถึงพยืออย่อ่งให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจที่เรียกว่าการอัตนาคือจิตที่ดิ้นรนทยอทยานอยากไปเพื่อได้ในวัตถุที่ตัวใครตัวปรารถนาตัวพอใจ เพราะการกําหนดอารมณ์ของคนนั้นไม่เหมือนกันการยื้อแย้งเพื่อได้่าถึงสิ่งต่างๆของคนจึงไม่เหมือนกันในลักษณะที่อย่างที่พูดว่พลังเนื้อชอบพลังยาของบางอย่างคนกลุ่มหนึ่งอาจจะยื้อแย้งอาจจะต่อสู้กันเพื่อได้่าครอบครองแต่คนกลุ่มหนึ่งก็ยืนมองเฉยๆคนกลุ่มหนึ่งอาจจะรู้สึกสลดใจที่มีการยื้อแย่งกันในลักษณะนั้น ยังไงก็ตามตนาเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแก่ใครด้วยการกำหนดอารมณ์ในลักษณะใดใจของบุคคลคือจะดิ้นไปเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นหรือเพื่อครอบครองวัตถุหรือสิ่งของเหล่านั้นแล้วเพราะว่าตนาคือความต้องการเป็นในสถานะในตำแหน่งต่างๆความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่า สิ่งต่างๆในโลกที่จริงมันก็เป็นบทเรียนอะไรสอนเราอยู่ทุกขณะเพียงแต่เราไม่ได้คิดไม่ได้เฉลียวคิดก็ใกล้ๆความแก่ความเจ็บความตายนั้นคือสอนเราอยู่ตลอดระยะเวลาในแต่ละวันนั้นเราเจอคนแก่เจอคนเจ็บนานๆก็ได้ข่าวคนตายได้เจอคนตายหรือไปงานศพคนตายที่จริงเราก็เกี่ยวข้องครับสิ่งเหล่านี้ตลอดเป็นบทเรียนให้อย่างดี ตำนองบอกกล่าวเราว่าแม้เธอเองก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพน้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราเอาก็จริงเราก็ไม่คิดที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนลักษณะของตันหาที่ดิ้นไปเพื่อความเป็นในด้านต่างๆอย่าเรามองที่จุดสูงสุดของสังคมคือตำแหน่งบริหารสูงสุดในขณะที่อีกเมืองหนึ่งต่อสู้ไปยื้อแย่ง เป็นผู้นำในรัฐบาลอีกเมืองหนึ่งกำลังผู้นำกำลังถูกไล่อีกเมืองหนึ่งผู้นำกำลังถูกฆ่าอีกเมืองหนึ่งผู้นำกำลังติดคุกอีกเมืองหนึ่งผู้นำกำลังหมดจากวารคกลายเป็นสามัญชนภาพเหล่านี้ที่จริงตัดกันให้เห็นตลอดในข่าวคราวในบ้านในเมืองคือข่าวการเมืองโลกนั้นก็จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าความเป็นเหล่านั้นที่จริงไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนมีการแปรเปลี่ยน บางครั้งก็เปลี่ยนเร็วมากซึ่งดูแล้วไม่น่าจะยื้อแย่งกันไม่รู้จะแย่งเป็นอะไรทำนองคล้ายๆกับการจับเงาในอากาศท้ายมันก็จับไม่ได้จริงๆแต่คนก็ยังอยากได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามีพื้นฐานมาจากอวิชาที่กล่าวแล้วในตอนตอน ทำให้จิตมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้แน่นอนตัวเองก็จะอยู่อย่างยังย่งยืนไม่แปรผันทรัพย์สมบัติที่ตัวครอบครองค่อยคว้าแสวงหาได้ป่าก็ยั่งยืนไม่แปรผันฐานะตำแหน่งของตัวเองก็ยั่งยืนไม่แปรผันแม้จะไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กับบุคลบ ค, บคลอื่นรู้ข่าวรู้ค่าวบุคคลอื่นแต่ไม่นึกน้องก็มาหาตัว เพราะความคิดที่ส่วนลึกๆซึ่งท่านเรียกว่าศาสตะทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยมันอย่างรากลึกอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแล้วก็ทุกส่วนของโลกไม่ใช่ว่านับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเพียงแต่ว่าความรู้สึกเหล่านี้รู้ธรรมศาสนาที่ว่าศาสตะทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงมันเป็นสรรพัญญัติทางภาษาบาลีแต่นั่นเองแต่ว่าโดยสภาพจิตแล้ว อาการที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่อยู่ภายในใจของบุคคลทั้งหลายเพราะงั้นจึงทำให้มีการค่อยความปรารนาวิปวะตัญหาแปลว่าความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ต้องการได้ไม่ต้องการเป็นเป็นความรู้สึกต่ออารมณ์อีกแนวหนึ่งตามที่พระเจ้าใช้ง่ายๆนะ ยินดียินร้ายก็ใช้ยอยู่สองคำนั่นเองเป็นความรู้สึกต่ออารมณ์ในแง่ของความไม่พอใจํานวนมาลีตัญชาคำว่ายินร้ายมันถูกก็ยินดีตรงกันข้ามก็ยินดีก็ยินร้ายเพราะในวัตถุในอารมณ์ในบุคคลในสิ่งของแม้แต่ตำแหน่งชั้นยศอย่างเดียวกันนั่นเองที่ใจเคยขวอยคว้ยปรารถนาจนได้มาครอบครองด้วยแรงผลักดันของพระวัตนาแล้ว เมื่อมีการครอบครองนานๆข้าวมันชักจะ น, นิ่งต้องการจะเปลี่ยนแปลงนะเพราะจะเห็นสังเกตว่าอาการของตัณหานี้จะผลักดันซึ่งกันและกันกรารมตาตัณหาเพราะว่าตัณหาที่ได้มาครอบครองแล้วถึงจุดหนึ่งก็จะผลักดันให้เกิดเป็นวิภาวะตัณหาแล้วตัววิภาวะตัณหานั่นเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ผลักดันให้เกิดเป็นกรารมาตัณหาพระวาตาัณหา ถ้าเรามองดูที่ใจถามใจดูว่าทำไมถึงไม่อยากได้ทำไมจึงไม่ต้องการอีกส่วนหนึ่งอีกจังหวะหนึ่งนั้นคือการอยากได้อย่างอื่นอยากการเปลี่ยนแปลงเช่นมียศอยู่อย่างนี้นานแล้วก็อยากจะเลื่อนยศไอความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนคือไม่พอใจในยศเดิมมันก็เป็นวิพวตัตนา การพายยศใหม่มันก็เป็นการอัตนาหาเป็นพระวาตัหาตกลงว่าผลักกันไปผลักกันมาทำให้ใจกระเลื้ยไปสายไปในอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งส่งอุปม า, าไว้ดีเพราะประยาัจุราชนั้นจะมาตัดชีวิตของบุคคลที่มัวเพลิดเพลินเลือกวงเลือกเก็บพวงดอกไม้ของมานอยู่เข้าไปสู่อำนาจของตัวเอง ทรงแสดงภาพของคนที่เข้าไปสู่สวนดอกไม้มีดอกไม้นาน า, นาชนิดมีความเพลิดเพลินวิ่งไปทิศโน้นทีทิศนั่ น, นทีทิศนี้ทีนนทดอกไม้ข้างหน้าก็น่าพอใจข้างซ้ายข้างขวาก็าน่าพอใจข้างหลังก็งน่าพอใจก็วิ่งแหวงอยู่ในนั้นแหงภาพเหล่านี้ท่า น, นลองนึกดูง่ายๆว่าเหมือนขึ้นไปห้างสรรพสินค้าหรือขึ้นไปในที่ใดก็ตามที่มีการแสดงแฉใจมันไม่สงบ อนนน า, น, านั่ก็น่าดูว่นีก่ก็น่าดูว่นั่งก็น่าดูหรือแม้แต่การรับประทานอาหารเป็นอาการสายไปของจิตที่ถูกที่ถูกปรุงให้ด้วยแรงปรักดันของตนะัณหาเพราะการแล่นไปสู่พบน้อยพบใหญ่โดยแรงปลักดันของตนะัณหาจริงๆเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันไปความรู้สึกในแนวที่ ต้องการให้เกิดการขาดสูนนั้นสิ่งที่เราต้องการให้ขาดสูนรให้แตกให้ทำลายให้ตายให้พิด่าอะไรก็ตามให้มีความรู้สึกไม่ชอบแต่เวลาท่านพูดท่านจะพูดยังไงก็ได้พูดได้ยาวมากๆก็ได้แต่มองโดยสรุปภาษามาเนี่ยทำไมจึงไม่ชอบไปไปคิดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นสามารถที่จะให้ขาดสูตรได้ ถ้าตัวต้องการจะให้ขาดศูนย์ขึ้นมาต้องการให้เที่ยงก็เที่ยงได้ถ้าตัวต้องการจะให้เที่ยงขึ้นมามันเป็นการหลงมาตั้งแต่ตลอดมันลนักษณะของตัณหาจะเห็นว่าเป็นเป็นวงจรที่ผลักดันซึ่งกันและ ก, กันแล้วทําให้เกิดการหมุนมีการกําหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีหลงหลายครั้งครายอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอยู่นานไปช่วงหนึ่งต้องการจะเปลี่ยนอีกละ เพราะเวลาส่งแสดงในแนวที่มากที่สุดจะแสดงลักษณะของตานาเอาไว้เป็นถามลักษณะแต่ให้ลองสังเกตว่าก็จะหมุนเนึ่งกอให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปจากสิ่งที่ตนได้ตนมีตนเป็นแล้วตนกอให้เกิด ความปรารถนาพบซึ่งประนีตขึ้นไปปรารถนาชาติทประนีตขึ้นไ ป, ป, นนไปถึงนําตัวเองเข้าสู่กงล้อของสังสารวัฏทั้งช่วงสั้นๆคือการหมุนของจิตแล้วก็ช่วงยาวๆคือการหมุนไปแต่โดยแรงกังกิเลสได้แรงกรรประการต่อไปก็คือมีความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินตัวอะไรที่เราพอใจเรากําหนัด เรากำหนดด้วยความกำหนัดเราจะเพลิดเพลินในสิ่งนั้นให้ลองสังเกตดูว่าเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่ฟังข่าวแม้แต่ดูโทรทัศน์แม้แต่อะไรถ้าเราชอบแล้วเราก็เพลิดเพลินแม้นะแต่อ่านหนังสือที่ดีๆที่สนุกๆเราชอบเราก็เพลิดเพลินไป่ไดดูได้ไปเรื่อ ย, อ, ยอาจจะเลยเวลาไปแล้วแต่ก็ใจมันก็ยังอยากยัดูอยู่ นั่นคือจิตสงสารกอดคือจิตผูกพันด้วยความกับหนักและความเพลิดเพลินแต่ความกับหนักนั้นเป็นเรื่องที่เรากำหนดด้วยความกับหนัดมันก็เกิดกับหนักสำหรับเราคือเกิดความรักใคร่ยินดีพอใจสำหรับเราอาจจะมองจากอาหารก็ได้อาหารนั่นก็เป็นรสนะตัวชิ้นอาหารนันก็เป็นรูปพอสัมผัสกับลิ้นเราที่เป็นเปรี้ยวหวานบังเก็บมันก็เป็นรส แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีกลิ่นนันมีทั้งรูปมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสัมผัสซึ่งบางครั้งอาจจะมีเสียงด้วยทําไปเจ้าหันที่ก็ปรุงให้ร้อนๆตกลงก็เป็นกามคุณตัวหันเองก็เป็นกามคุณ เมื่อมีความกำหนัดด้วยอำ น, นาจความกำหนดด้วยความพอใจแล้วเราก็กินกันมากในเรื่องรสนั้น จ, จะต้องเติมแล้วเติมอีกหรือว่าที่นั่นหมดไปแล้วจะต้องไปหาใหม่เป็นตัวนั่นคืออาการของจิตที่กำหนดด้วยความกำหนัดแล้วคอ้เกิดเป็นความเพลิดเพลินจิตใจก็จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์รสนั้นพรานก็จริงแล้วถามมาทำไมจึงมีกามอัิษาก็เพราะมีอวิชชา ทำไมจึงมีภาวะตานาก็เพราะมีอวิชชาทำไมจึงมีวิภาวะตานาก็เพราะมีอวิชชาหมายว่าอาวิชชานั้นเองเป็นเหตุให้เกิดตานาแบบนั้นขึ้นมาบางครั้งก็ส่งแสดงสรุปเป็นเพียงกิเลสเพราะทั้งหมดที่จึงเป็นกิเลสคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําจิตใจของบุคคลให้ขุดมวลเศร้ามองไร้เหตุไร้ผลขึ้นไปโดยลําดับตามความรุนแรงของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ไอ้จากตัณหานั้นเองไอ้เหมือนกับมือของเถาพันไม้เลื้อยที่เขาเลื้อยไปรัดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ลักษณะเหล่านั้นแหละเขาเรียกว่าอุปาทานให้ลองสังเกตว่าจิตต้องกำหนดว่าเป็นของเราจึงเกิดอุปาทานว่าเป็นของเราแต่ถ้าจิตยังไม่กำหนดอุปาทานมันก็ไม่เกิดเพราะตัณหาอย่างไม่ ยังลงในวัตถุนั้นอุปท า, านก็ม่เกิดเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องทาง จ, จิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายที่ยังมีวิชาอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในส่วน ใ, นใดๆของโลกก็ตามนั้นพวกนี้จึงปัดเป็นปัใจจัยในส่วนหนึ่งที่ให้เกิดรูปขึ้นมาในลักษณะต่างๆ ต, ตามความจำแนกแปงแยกของกรรมต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสุขต่อไป